สามสิบสามเทฮิสที่สถานีรถไฟ Railway Station r Railway Station r รถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะ เบอร์ลินสัทีอลินสัตหีบูรชินคดีอาเฮรถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะปารีสสัตीีบูรชีทรินคดีอาเฮปัตหีบูรชีทรินคดีอาเฮรถไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะลอนดอนสัตหีบูรชีทรินคดีอาเฮลอนดอนสัตหีบูรชีทนีฮ รถไฟไปวอร์ซอออกกี่โมงคะวอร์ซอสัตว์ที่ीุ่งชีเรนวอร์ซอสัตว์ที i ปุ่งรนคดราถไฟไปสตอกโฮมออกกี่โมงคะสต็อกโฮมส์ที่ปุ่งชีเทรนคดีนीสตอกโฮมั์ที่ปนคดรารรถไฟไปบูดาเปสต์ออกกี่โมงคะ บูสดสาเปสต์ซัดฮีปูดจีเทรนคดีนิกร์บูดีปนนิดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดหนึ่งที่ค่ะ म าाาม द ดริดเซ็งเอกติ๊กต๊ะไปฮิจติกไปจดิฉันต้องการตั๋วไปปรากหนึ่งที่ค่ะ म าลาปรากเซ็งเอกติ प กต๊ะไปติไปจ ฉันต้องการตั๋วไปเบิร์นหนึ่งที่ค่ะมเบิรเซอะฮิจจ์มันละเบินเอกติกพจรถไฟถึงเวียนนาเมื่อไรคะเทรนวเวียนลก็ด e ตเต้เ ท, ทรนวีวยลก็ด e ตรถไฟถึงมอสโคเมื่อไรคะรเรนมสคลก็ดี p o e ต รถไฟถึงอสัสเตรอตรอดัมเมื่อไรคะรถไฟถึงอัมสเตอร์ดามเมื่อไระรถไฟถึงอมสเตอรดัมเมื่อไรคะดิฉันต้องเปลี่ยนรถไฟไหมคะมะลากราใรถไฟบดกนัชิกระราใจคะรถไฟออกที่ชานชลาไหนคะ รถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะรถไฟ र ेสิปेปอร์โคชอะเฮก้าดิฉันต้องการตั๋วไปบรัสเซลล์หนึ่งเที่ยวค่ะ म มา ब ् र ัสเซล स ์สัตว์ा स स ี่เอก त าร์กีติ๊กต๊ะไปเจ้หมายบรัสเซลส์สัตว์ที่เอติกไปเจ ดิฉันต้องการตัว๋วกลับโคเปนเฮเกนค่ะ म ัลล์โคเปนเฮเกนเซอเอกพาร์ติเซติกิทต์ไปให้เจมัลล์โคเปนเฮเกนเซอที่นั่งในตู้นอนราคาเท่าไหร่คะ स ् ल ป प र मध्ये एका बर्थ साठी किती पैसे ल ดทีเพื่อเสียลักตัดสลิปเปอร์มัธเหอเอกาบ त